มูอหน่อยเนาะถัะกันหน่อยเนี่ยนกัน้นอยถักแน่นหน่อยงานย่อมหน่อยมีฝ่ามูอฝนเนี่ยย่างแตงสี่แหละมันง่ามันสี่เหตุภาวานาแล้วมันสิ่ไ ด, ด้ดีให้มันฟ้อมตัวของเขาเรือจริญหน้าเา้อมัอนเทาอยู่ไกลอันใดโดนๆนึน่มันฟู่เรื่องอันนั้นโดน อันเั่งอยู่ใกล่อันใดโดนมันหูเรื่องมันนันหลายมันทรับมันเปลี่ยนถึงเข้ามาเขาวาหน้ามนัน ป, ปุึบฮบล่มเจ้าของให้คิดมันอยู่กับตอนอยู่กับเจ้าของแต่เกาลันบอกพายู่อันเนี้ยขันเข้ามาอยู่กับเจ้าของปุ๊บเนี่ยมันอยู่กับเจ้าของ ด, ด, ดู๋ยโดนโ ด, ด, ดนเดืน้ากันนี่แหละที่มันกลับหูจักเจ้าของได้บ้างคิดแต่เกาวงหูจักดอก เป็นหูจักแต่ผู้อื่นหูจักแต่บ้านอืน่นเมืองอือน่นเรีก่กอือน่นงานอือน่ออนเลอะบบหูจับซ่อมคือว่ามันโบหูจับตัวเจ้าของเจ้าของดีหรือเจ้าของไม่ดีกับโบหูจักหันเข้าไปยู่น้าเจ้าของเรื่อยๆให้คิดมันดูน้ากายให้ดูคิดยื่อน้ำเจ้าของนี่เพราะม้นรงไปไกลเรื่อยๆนี่คือหูจักเรื่องเจ้าของเจ้าของแล้วก็ค่อยๆตลาดขึ้นได้วัน มันติดตลาดมันติดสังเกตสะก่อนที่ไหนมันติดหูจักสะก่อนโอ้คันคิดโบไปใชนี่มมันหอมมันเย็นมันสบายตัวนมันโบเดือดร้อนโบห่อนบบข้นโบยาบโบวาดโบวันโบเก่งอย่งส่วนมันดีก็เนื้อแทนนี่มันจะไปคอยฟู่ไปอย่างที่ล้วติดหูจักว่าคันคิดอยู่มันดีอย่างที่ล่วแต่กี่โมงแักดอกมันดีเนี่ยคือแต่ว่าไปเที่ยวไปม้วนบอก ไปตั้งเพ่งไปตรงคิดตรงใจไปหาผู้นั้นผู้นี้ไปคิดมัดผู้นั้นไปคิดตั้งผู้นี้ไปยังสันเดชสบัดนี้ไม่ใสี่เดชหู่จักว่าเออคิดอยู่นั่นโตจะของนี่มันดีตัวเนี่ยมันเย็นชุบขวอมชุบข้อมองชุมเย็นนี่มันยืนนี่ตัวนี่มันถึงจักมันสลากสินถ้ามันยืนนั่นจะของมันสลากเดินไปกับสีเห็นดอกว่าเออการเข้า เกิดพ้วมเดือดร้อนอย้งนึือว่าเนี่ยมันย้อนอยังที่แท่แลี่มันย้อนย้อนจิตย้อนใจแต่ของย้อนตากจต่ของย้อนกายแต่ของว่าจา่าไปหาเหตุแนบ่บอดีหาเว่าแนวบอดีเห็นตัวเกิดค้วมฟุกค้วมเดือดร้อนจะย้อนเข้าไปเฮ็ดไปสร้างไปกรรมคึอว่ามันก็จริงจักแต่งแต่แต่ควนว่าแต่ฟุ้ น, นบอดีว่าแต่เขาบอดี บานอยู่กันจะของแ้มันจะได้เห็นเนาะว่าโอ้คู่วดีเงน้นงงเฮาทุกานเน่มันจะลาดเหาัาคนนัน้นอยู่ดนคนนัน้นอยู่ดีคนนัน้นมันจะส่อเห็นโอคือสิ่งคือแน่นเนี่มันเป็นธรรมดามันเป็นธรรมดามองเป็นจะเอาดอกมันก็นสิ่อหูเน้่เาไปเอามาแบกให้ยัง้งไปเอามาหาั็ใหยัง้งไปเอามาหามหยัง้ง แบกอยู่บ่อเศร้าหามอยู่บ่เศร้าทวัดทุกทุกอาารย์แต่พันย่งแบกคือ่นี่โอ้มันเป็นเหาหนูตัวร์เป็นคิดเองหนูัวร์าจนี่มันสลัดถึงมันต้องมจักเนสลัเพราะพระพุทธเจ้าสอนสอนเยเหาสลาดกันสลดแล้วมันพลทุกข้มันทุกนี่มันพนเองดอกมันพนี่ต้มสลัดนี่หละนี่ะมันต้มกันสีด้วยต้ ว่าอย่างไรจะคล้องสีเดเกิดขวมลาดถึ่นมาเดียวนี้มันทุกมันบ่มันยังเน่าจะค้องก็สลาดแน่วบกเป็นจะเอาก็ไปเอานะับไม่ใบากม่ใเดือดร้อนไม่ใชนไหนเท่ายูก็ยังเนี่ยมันสีมันเกลยวซ่านมันถึงจักเหลืองเล้ามันหลายกุ่มโค้เก้าเหนื่อยเป็นข่วมดี เข้าิไปหาอยู่วางอื่นยมันมันหาว่ได้ดอกอเนโมนีน่ะเพราะว่ามันอยู่ในใจมันรีอยู่ในใจแต่ของเข้ากันสงบแรงเข้ากัยังดีเวียงต่อยุ่ต่อจะควบสงบกันคิดมันสงบแบบผสมดีเวียงอีเวียงไม่การคอยกันว่างกันบาว่างหบาแล้วเรืองสุขสิ่งทุกอย่างบาว่างบาเล้วยบาเบา คายนหันละมันจะดีมันได้กับสามมันกับักกับข้าโยนละมันแนวดีเสียข้าแนวดรัวกับข้ามันข้ามันนักทั้งนั้นคือน้นจะแบกนุ่นนี่แหละว่านุ้นมันเบาเนี่ยเอามาแบกไว้กับนักหินว่ามันนักแล้แบกไว้กันักอย่างนั้นมันพูดลาดเป็น่างว่าว่างบบนุนว่างหินว่างใบวางาอยงนั้นแะพิลาด ดมดนเนี่ยอยู่นําเตาคลองจานวนหมดันเข้ามาพิจารณาซ่อมเบิ้งพิจารณาเบิ้งโอ้ยมันเดือดมันฮอนนี่มันหักมันสั่งเอียงต่างๆมันระบบเมนผู้อื่นจังแบีดเลยไม่ได้เข้าทั้งไหนล่ะนี่ว่าเป็นน้าผู้นัดผู้หนีมาเบียดมาเบียนมาหล่อล่วงเข้าให้มันหลุมมันหลงแต่มันลงผิดลงท่าหลงเศ็จลงสายเข่ามันโบเมนแข็งตัน สิ่งต่างๆมันอยู่ธรรมดาของมันปกติของมันนี่แต่เท่านี่าล่ะแต่เหตุคือยังฟองโซโคกอยู่แล้วมันก็อยู่เพราะมันแต่เทานี่แล้วไปอาดไปโตัลงไปไปมันไปเหยียบมันไปบ่ายมันมันก็ยังมาแตกมาเปลี่ยนเท่าเปลีนหู่จักแล้วมื่นตาแล้วหินจักคว้วแล้วเย็นเห็นว่าฟองโซโคกยังได้ดีเว่นมันแต่เ้ ตั้ละโบนีดอกไม่ใช่ที่เอาทนะี่เอาของหกของเหือของตุกพกมาใส่ใจเจ้ของนี่หละอากาศเย็นๆจุนๆอยงนี้แหละ้ากันกิจฉนหน้าซ้อมเ๋ยวของอยู่กับใจเจของมันไปใส่บัวใดอกนมันตกฝ่ามันตกไปใส่บัวใดยืนนุ่งกันนี่แหละัางจนั่งยืมนิดๆมูหน่อยแห้งดี มันยังบมีหียกหลายว่าดเดวาลหลายโอ้แน่มูนี่ตรงหัดดิแขนหัดมันไม่จะไปเที่ยวเรื่อยใจนักจอหัดเ ด, ดืมนม น, นไหน้แขนท้องยูแล้วอนไดโดนมันผู้เรื่องระนันยแขนยูก็มั่วกับคว้ผีก็คู่เรืองพอมมัว่วพร้อมไขผู้ได้ยูกับม ห, หมาดูเลี่ยงไม้ผู้จักนี่ใสหมา ผู้ใดยู่กับค้นผ่านหรอลายเนี่ยผู้จังนิสัยพนผ่านถ้าเราเชื่อแตได่ซึ้อคงจะเป็นค้นผ่านเรื่องเขาพ้นจวนเขาอีหยัง น, น, น เ, นนเ ด, ด, ดูดูมันเจียวชานวันวานน็ดตัว ด, ดูดูก็เจียวชานในส่วนตัววันวานห้อยูน้ำสวยเจ้าของดูดูก็เจียวชันในการทำสมาธิยึดยึดตวเหนื่อกับตัวอลไรที่ได้ดีระบาดเข้ามาหลัอนเนก็